ย่อมจะแสดงขึ้นให้เห็นในแนวรบคือภาคปฏิบัติของผู้นั่นๆ น, น, นั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยกิเลสจะมีอยู่ในคำภีหรือไม่มีในคำภีแต่เป็นสิ่งที่แน่ที่สุดก็คือมีอยู่ในหัวใจของคนมีกิเลสทุกประเภทเาะทุกรายไปการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเพื่อแก้กิเลสเพื่อชำระกิเลสเพื่อรบกับกิเลส ด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรประโยคพยายามต่างๆจึงต้องได้เจอกันกับกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่คำหนึ่งถึงว่ากิเลสประเภทนี้มีในตำราหรือไม่สตธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ก้าวเข้าสู่การต่อสู้กับกิเลสนี้มีในตำราหรือไม่ยิงไม่ได้คำหนึ่งกันคำหนึ่งหรือจดจ่อตั้งแต่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 เป็นการปฏิบัติตามคำบอกเล่าเป็นการปฏิบัติด้วยสัญญาความจดความจำซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับที่เราท่องบนสังวตยายจากตำรับตำรามมาจำเอาไว้ภายในหัวใจของเราแต่การภาคปฏิบัติเพื่อความจริงนี้ดําเนินลงไปเช่นสตัติหลักใหญ่ท่านบอกไว้แล้วว่า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 แม้แต่เดินจงกรมเท่านี้เราก็เห็นแล้วอ๋ อ, อนี่เดินจงกรมท่านเดินกันอย่างนี้นประจักษ์แล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ในตารามีอยู่ไม่น้อยเต็มไปหมดเรื่องวิธีเรื่องเดินจงกรมของพระสาวกนับแต่พระพุธทธเจ้าลงมาทรงเดินจงกรมและเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็มีในตา น, นาเต็มไปหมดแต่เรา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 ดวงเดียวนี้มันทนไหวหรือถ้าไม่มีทัติปัญญาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทา น, ทานหรือต่อสู้หรือกันกรองกัน ไ, ว, นไว้บ้างแล้วยังไงก็จมไปได้นักบวชเราเราไม่ต้องพูดถึงคาระวะญาติโยมที่ไหนเพราะนักบวชเราเป็นเป็นผู้ต่อสู้เป็นเพศที่ต่อสู้เป็นท่าต่อสู้อยู่แล้วทําไมจะต้องเหลีวไหลโลเละไปกับสิ่งทั้งหลายนี่แหละผู้ปฏิบัติ